เดนที่สามโอปปาธีกะในชีวิตของมนุษย์โปรดนึกถึงหลักที่พระพุทธเจ้าตรัสว่าภิกษุนั้นเมื่อมีจิตตั้งมั่นบริสุทธิ์ผุดพองไม่มีกิเลสเครื่องยียวนปราศจากอุปกิเกเรททั้งหลายเป็นจิตอ่อนโยนควรแก่การงานดำรงอยู่มั่นคงไม่หวั่นไหวเช่นนั้นแล้วก็น้อมจิตไป เพื่อเจนรมิตรกายที่สาเร็จด้วยใจเธอย่อมดลรมิตรกายขึ้นอีกกายหนึ่งจากกายนี้ได้ซึ่งกายที่นรมิตรขึ้นนานเป็นกายที่มีรูปเป็นกายที่สำเร็จด้วยใจมีอวัยวะน้อยใหญ่ครบถ้วนมีอินทรียบริบูรณ์คือมีอายจตนะภายใดยครบทุกอย่างมหาราชะ เปรียบเหมือนบรลุษชักใส้ออกสากญ้าปล้องฉะนั้นโปรดสังเกตว่าเธอย่อมดารมิตกายขึ้นอีกกายหนึ่งจากกายนี้ได้ซึ่งกายที่นารมิตขึ้นนานเป็นกายที่มีรูปเป็นกายที่สำเร็จด้วยใจมีอวัยวะน้อยใหญ่ครบถ้วนมีอินทรียบริบูรณ์ข้อความในตอนนี้ โปรดนำไปเปรียบเทียบกับคําที่ว่าการได้อัตราที่สําเร็จด้วยใจเป็นชไหนอัตราใดซึ่งมีรูปร่างสําเร็จด้วยใจมีอวัยวะน้อยใหญ่ครบชั่วมีอินทรีย์บริบูรณ์การได้อัตราเช่นนี้เรียกว่าการได้อัตราที่สําเร็จด้วยใจข้อความทั้งสองตอนนี้ แสดงลักษณะของกายที่สำเร็จด้วยใจอย่างเดียวกันแต่มีประเด็นที่สำคัญต่างกันกล่าวคือผู้ที่ได้ฌานแล้วในร่างมิตกายขึ้นอีกกายหนึ่งนั้นก็คือกายที่เป็นโอปาปิกะในชีวิตนี้ส่วนข้อที่ว่าการได้อัตตาใดซึ่งมีรูปสำเร็จด้วยใจนั้น หมายถึงคนเราตายแล้วไปเกิดเป็นโอปาปติกะซึ่งมีรูปร่างตัวตนที่สําเร็จด้วยใจโปรดสังเกตว่ากายโอปาปติกะซึ่งเกิดจากการดะมิตรของผู้ที่ได้ฌานกับกายโอปาปติกะของผู้ที่ตายไปเกิดนั้นต่างก็มีอวัยวะน้อยใหญ่ครบถ้วนมีอินทรีย์บริบูรณ์เหมือนกัน ในทางพระพุทธศาสนามีกล่าวถึงว่าผู้ที่ได้ฌานสามารถที่จะไปเมืองสวรรค์เข้าฌานไปดูเหตุการณ์ในที่ต่างๆและสามารถติดต่อ ก, กับโภปปิกาทั้งหลายได้สามารถจะติดต่อ ก, กับผู้ที่ได้ฌานเหมือนกันได้เรื่องต่างๆในทำนองนี้ความจริงไม่ใช่เรื่องนิยาย เพราะเดี๋ยวนี้คนที่ได้สมาธิในขั้นเข้าไปติดต่อกับโอปปตฏิกะนานมีแล้วและข้อเท็จจริงที่ได้พิสูจน์แล้วมีดังนี้คือ 1. ผู้ที่เข้าสมาธิไปติดต่อกับโอปปตฏิกะนานเป็นเหมือนกับหลับไปและเป็นการหลับอย่างสนิทไม่รู้สึกตัวออาทีเดียวไม่ว่าจะขยัตัวหรือเอาเข็มแทง หรือทำอย่างไรอย่างไรก็ตามตลอดเวลาที่อยู่ในสมาธิยังไม่ถึงเวลาออกไม่มีทางรู้สึกตัวระศาีทั้งห้าไม่รับรู้เหตุการณ์ภายนอกใดๆทั้งสิ้นแต่ครั้นแล้วในชั่วขณะที่จิต ด, ดับไปนั้นก็เป็นเหมือนกับว่าเขาฝันไปกล่าวคือ จะมีตัวเข้าเองปรากฏอยู่ในโลกของโอปปาติกะและในขณะที่อยู่ในโลกของโอปปาติกะ น, นั้นมีการเห็นการได้ยินรู้สึกกลิ่นรู้สึกรสรู้สึกสัมผัสทางกายและมีความลึกคิตสภาพของชีวิตในขณะ น, นั้นไม่ผิดอะไรกับสภาพของพวกโอปปาติกะฉะนั้น ยิพูดจาติดต่อกันได้เหมือนกับว่าเป็นคนด้วยกันจากตัวอย่างเช่นนี้แหละที่พระพุทธเจ้าตรัสว่าเธอย่อมดารมิตกายขึ้นอีกายหนึ่งจากกายนี้ได้ซึ่งกายที่นารมิดซึงนนานเป็นกายที่มีรูปเป็นกายที่สำเร็จด้วยใจมีอวัยวะน้อยใหญ่ครบช้วนมีอินทรียบริบูรณ์ สรูปอันใดที่มนุษย์เห็นเสียงอันใดที่มนุษย์ได้ยินกลิ่นอันใดที่มนุษย์รู้สึกรส อ, อันใดที่มนุษย์รู้สึกสัมผัสอันใดที่มนุษย์รู้สึกพวกอุปปัฏิกาบอกได้ถูกต้องตรงกับมนุษย์เราทำอะไรเขาเห็นเราพูดอะไรเขาได้ยินรวมความว่าพวกอุปปัฏิกา ก็คือชีวิตพวกหนึ่งที่มีอะไรหลายอย่างคล้ายกับมนุษย์แต่พิเศษตรงที่ตาธรรมดาของเรามองไม่เห็นเท่านั้นความจริงเท่าที่พิสูจิ์ได้ในขณะ น, นี้มีเพียงเท่านี้ส่วนความจริงอีกหลายอย่างที่ทำพิกล่าวไว้แต่ยังพิสูจน์ไม่ได้คือหนึ่งโอปาธิกาจะไปไหนพอนึกสติก ก็ไปถึงที่นั้นแล้วไม่ว่าที่นั้นจะไกลสักแค่ไหนก็ตามเพราะเป็นการไปด้วยใจและรูปร่างนั้นก็สำเร็จด้วยใจฉะนั้นจิงไปได้เร็วชัว่วขณะจิตหนึ่งเท่านั้นเรื่องนี้ที่ยังที่สูไม่ได้ก็เพราะผู้ที่ได้สมาธิติดต่อกับโอปปฏิกะได้ในขณะนี้ ยังไม่อาจส่งกายที่สำเร็จด้วยใจนั้นไปดูสิ่งที่อยู่ไกลๆเนื่องจากกำลังสมาธิยังไม่พอต่อไปแต่จากคำบอกเล่าปรากฏว่าที่อื่นมีคนทำได้ซึ่งข้าพเจ้าไม่กลายย้ายืนยันเพราะไม่ได้เห็นด้วยตนเองแต่ก็เชื่อว่าการส่งกายที่สำเร็จด้วยใจ ไปดูอะไรต่ออะไรในที่ไกลไกลนั้นเป็นไปได้แน่นอนและอันนี้ในเมื่อทำสำเร็จแล้วจะมีประโยชน์มากมาย 2. นรกสวรรค์ซึ่งเป็นสถานที่หรือเป็นโลกอีกแห่งหนึ่งในคำพีกล่าวว่ามีแต่ยังพิสูจน์ไม่ได้ท่อนเนื่องจากยังส่งกายที่สำเร็จด้วยใจ ให้ไปในที่ต่างๆยังไม่ได้ขณะนี้เมื่อเข้าสมาธิไปแล้วเห็นพวกโอปาติกะได้เฉพาะแต่ในเมื่อเขาอยู่ในที่นั้นข้อที่แปลกอีกอย่างหนึ่งซึ่งข้าพเจ้าเองก็ไม่เข้าใจก็คือเมื่อเข้าไปอยู่ในโลกของโอปาติกะเห็นเฉพาะแต่พวกโอปาติกะ แต่สภาพในโลกนี้มองได้เห็นทั้งที่พวกโอปปาปิกะมองเห็นอันนี้อาจเป็นเพราะการได้สมาธิขั้นเห็นโอปปาปิกะนี้ยังไม่สมบูรณ์นั่นเองซึ่งถ้าสมบูรณ์จริงๆแล้วก็จะมีความสามารถอย่างเดียวกับโอปปาติกะทั้งหลายกล่าวคือตลอดเวลาที่มีกายเกิดขึ้นอีกกายหนึ่ง ในขณะที่อยู่ในสมาธินั้นจะสามารถรู้เห็นได้ยินและบอกเรื่องราวต่างๆได้อย่างเดียวกับโอปะปะติกะทั้งหลาย 3. เรื่องอภิเนหานต่างๆของผีและของเทวดาเช่นผีสามารถปรากฏตัวให้บางคนเห็นได้ทำเสียงให้คนได้ยินได้เลื่อนสิ่งของต่างๆได้ เปิดประตูหน้าต่างได้ทำร้ายคนได้ดังนี้เป็นต้นและเทวดาสามารถจําแรงตัวมาช่วยเหลือคนหรือเนรมิตสิ่งของต่างๆให้กับคนหรือเอาอาหารมาให้คนกินหรือสามารถดนใจให้คนเราคิดอย่างไรก็ได้ดังนี้เป็นต้นเรื่องต่างๆในธรรมนอร น, นี้ ยังไม่เคยพบเห็นด้วยตนเองเลยและส่วนมากเท่าที่ทราบกันก็เป็นเรื่องเล่าเล่าตอกันมาหาหลักฐานยืนยันไดยากในคำพีเองก็ไม่มีกล่าวถึงเรื่องในลักษณะเช่นนี้นอกจากในคำพีชาดกก็มีกล่าวถึงบ้างดังเช่นในเรื่องทเวศสัดนดรซึ่งกล่าวว่าทระวิษณุ ก, กรรมโดยบัญชาของพระยิน ให้มานราบิดอาสมให้กับพระเวทสัดนดรเทวดาแปลงตัวเป็นเสือเป็นราชสีห์ขวางาทางทะนางมัตสีดังนี้เป็นต้นเรื่องอภิญหาต่างๆในทํานอง น, นี้ข้าพเจ้าไม่กล้ายืนยันว่าจริงหรือไม่จริงเพราะยังู้สูจไม่ได้ ปรเดที่สคารรู้แจ้งเรื่องโอปะปะติกะโปรดนึกถึงคำที่พระพุทธเจ้าตรัสว่าผู้ใดถ้ามีวาทะอย่างนี้มีทิฏฐิอย่างนี้แล้วเป็นวิชาทิฏฐิกล่าวคือมีความเห็นว่าสมณะพราหมณ์ผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบได้บรรลุธรรมอันชอบจะทำให้แจ้งด้วยตนเอง ซึ่งโลกนี้และโลกอื่นด้วยอภิญญาแล้วสอนให้ผู้อื่นรู้ได้ด้วยไม่มีพระพุทธเจ้าทรงรู้แจ้งเรื่องโอปปจิกะทั้งหลายด้วยอํานาจของสมาธิที่ทําให้เกิดแสงสว่างในใจพระอาราหันต์ทั้งหลายท่ยโยคีฤศีตลอดทั้งนักปฏิบัติทางสมาธิทั้งหลาย รู้เรื่องโอปปติกาก็ด้วยวิธีเดียวกันนี้ฉะนั้นผู้ที่ปรารถนาจะรู้เรื่องนี้จริงๆด้วยตนเองจึงไม่มีทางอื่นนอกจากจะต้องพยายามฝึกสมาธิให้ถึงขั้นมีแสงสว่างเกิดขึ้นในใจและต้องเป็นแสงที่โปรงไม่มีสีและต้องสว่างมากด้วยจึงจะเห็นโอปปติกาทั้งหลายได้ และก่อนที่จะไปถึงขั้นนี้จะต้องฝึกสมาธิให้มีความสามารถหลับได้ในทันทีเสียก่อนไม่เช่นนั้นการเห็นการติดต่อจะไม่สมบูรณ์อันหนึง่งข้อความที่ได้กล่าวมาแล้วว่าผู้ที่ได้ฌานขั้นสูงย่อมสามารถนลมิตร์กายที่สําเร็จด้วยใจขึ้นมาได้ซึ่งกายนี้ มีลักษณะอย่างเดียวกับกายของโอปปะปิกะนี้โปรดพิจารณาให้ถี่ถ้วนเพราะข้อความตอนนี้เป็นกุญแจดอกสำคัญที่จะไขให้ความสว่างว่าสภาพแห่งชีวิตของโอปปะปิกะตามที่กล่าวมาแล้วนั้นมีได้จริงๆหรือถ้าท่านเชื่อว่า ผู้ที่ได้ฌานย่อมจะลองยึดกายที่สําเร็จด้วยใจขึ้นมาได้ท่านก็จะไม่สงสัยเลยว่าคนที่ตายไปแล้วก็ย่อมเกิดเป็นโอปปจิกะได้ชีวิตในความฝันเป็นตัวอย่างเทียบเคียงที่พอจะทําให้เข้าใจเรื่องโอปปจิกะได้วางอย่างแต่มีอะไรอีกหลายอย่างไม่เหมือนกันเลยเว้นไวแต่ว่าบางคนจะหลับอย่างสนิท หลับได้ลึกเหมือนกับการเข้าสมาธิขั้นลึกซึ่งพอหลับสนิทเช่นนั้นแล้วก็ฝันและเรื่องที่ปรากฏในความฝันเป็นความจริงเช่นฝันว่าไปพบใครมีเหตุการณ์เกิดขึ้น อ, อย่างไรปรากฏว่าตรงกับความจริงเรื่องอย่างนี้เป็นไปได้คนที่ไม่เข้าใจหลักวิชาเรื่องการถอดกาย หรือถ้าจะพูดให้ถูกคือการเนรมิตกายขึ้นอีกกายหนึ่งด้วยใจที่เป็นสมาธิ<ม>ก็มักจะพูดว่า<ม>คนนั้นถอดวิญญาณไปเที่ยวหรือพูดว่าเจตพูดของคนนั้นออกจากร่างไปเที่ยวซึ่งความเป็นจริงไม่ใช่เช่นนั้นแต่อย่างไรก็ดีเรื่องนี้คนที่ไม่ได้เรียนเรื่องปฏิจจสมุปบาท ให้เข้าใจอย่างลึกซึ้งแล้วเข้าใจยากมากฉะนั้นถ้าท่านผู้ใดไม่เข้าใจเรื่องที่พระเจ้ากล่าวมาแต่ปรารถนาที่จะทำความเข้าใจเรื่องนี้ให้แจ่มแจ้งจริงๆก็เป็นความจำเป็นไม่มีทางหลีกเลี่ยงทุกอย่างเกิดจากใจบทนี้ได้เขียนข้ามวดใจความสำคัญไว้ สำหรับผู้ที่ได้เคยเรียนเรื่องปฏิจจสมุบาทมาแล้วเพื่อให้เข้าใจเรื่องโอปปจิตกะชัดเจนยิ่งขึ้นส่วนผู้ที่ไม่เคยเรียนมาก็อาจจะลำบากสักหน่อยที่จะเข้าใจข้อความที่จะกล่าวต่อไปนี้พระพุทธเจ้าตรัสว่ามโนปุพังเข้ามาธรรมามโนเศรษฐามโนมายามโนคือวิญญาณ เป็นรากฐานของสิ่งทั้งหลายวิญญาณประเสริฐกว่าสิ่งทั้งหลายสิ่งทั้งหลายสำเร็จมาแต่วิญญาณคำว่าธรรมมาซึ่งแปลว่าสิ่งทั้งหลายในที่นี้ตามตัวแปลว่าธรรมทั้งหลายและคำว่าธรรมทั้งหลายในที่นี้ก็หมายถึงรูปธรรมานามธรรมาและกฎธรรมดาทั้งหลายจงสังเกตว่า ตามความหมายของพุทธพจน์นี้ย่อมหมายถึงว่าการที่วัตถุธาตุต่างๆมารวมตัวกันเป็นร่างกายมีชีวิตเกิดขึ้นมีเวทนาสัญญาสังขารเกิดขึ้นก็เนื่องมาจากวิญญาณกฎเกณฑ์ของชีวิตทุกอย่างเกิดขึ้นก็เนื่องมาจากวิญญาณสภาพของชีวิตในโลกนี้ต่างกัน ก็เพราะสภาพของวิญญาณไม่เหมือนกันวิญญาณเป็นจุดเริ่มต้นของชีวิตทุกทุกระเภทโปรธสังเกตว่าร่างกายเขาเราอย่างที่มีอยู่นี้ครั้งแรกไม่มีกฎเกณฑ์เขาชีวิตอย่างที่มีอยู่นี้ครั้งแรกก็ไม่มีวิญญาณเป็นพลังงานอย่างหนึ่งเช่นเดียวกับแสงเสียงความร้อน ไฟฟ้าแม่เหล็กแต่ต่างกันตรงที่ยินยาณเป็นพลังงานนามธรรมพลังงานที่มองไม่เห็นตัวสัมผัสไม่ได้ด้วยประสาททั้งห้าพลังงานซึ่งมองไม่เห็นตัวสัมผัสไม่ได้ด้วยประสาททั้งห้านี่แหละคือตัวการสำคัญที่ทำให้ชีวิตต่างๆเกิดขึ้นมาในโลก ในรูปและลักษณะที่เหมือนกันบ้างต่างกันบ้างมีกฎเกณฑ์เหมือนกันก็มีตรงกันข้ามก็มีจงตั้งข้อสังเกตว่าจากสิ่งที่มองไม่เห็นก็ให้เกิดสิ่งที่มองเห็นจากสิ่งที่ไม่มีเสียงก็ให้เกิดสิ่งที่มีเสียงและอื่นๆข้อเท็จจริงอันนี้มองเห็นชัดๆอยู่แล้วฉะนั้น ถ้าหากจะมีใครบอกว่ามีอยู่ชีวิตที่มีอะไรคล้ายๆกับมนุษย์แต่ตามองไม่เห็นก็อย่าเพิ่งปฏิเสธเพราะตัวการที่ก่อให้เกิดชีวิตนั้นโดยธรรมดาก็เป็นสิ่งซึ่งมองไม่เห็นอยู่แล้วและสมรรถภาพทุกอย่างของชีวิตโดยธรรมดาก็มีอยู่ในสิ่งซึ่งมองไม่เห็นนี้อยู่แล้ว กฎเกณฑ์ของชีวิตทุกอย่างก็เกิดจากสิ่งสิ่งนี้และวิญญาณ น, นั้นมีวิวัฒนาการฉะนั้นการที่ชีวิตจะเกิดหรือมีอยู่ในลักษณะที่ต่างจากมนุษย์หรือสัตว์ทั่วไปเท่าที่เรารู้อยู่อย่างหน้ามือเป็นหลังมือนั้นจึงเป็นสิ่งที่เป็นไปได้โปรดใช้ความคิดละเอียดแล้วท่านจะมองเห็นว่า ชีวิตใน ล, ลักษณะของโอปปะิกะนานเป็นสิ่งที่มีได้ระวังอย่าให้ความรู้ที่เรียนมากลายเป็นแว่นสีซึ่งทําให้มองเห็นอะไรตามสีนั้นๆไปเสียทั้งหมดหลักเกณฑ์ต่างๆไม่จําเป็นจะต้องเป็นไปตามหลักที่เราได้เรียนมาเสมอไปทฤษฎีที่ตรงกันข้ามจากที่เคยรู้กันมามักจะมีบ่อย โดยเฉพาะในกลุ่มของนักศึกษาที่มีการค้นคว้าก้าวหน้าอยู่เรื่อยๆพระพุทธเจ้าได้รับการยกย่องจากนักปราชญ์ทั้งหลายว่าเป็นสัพพัญยูเป็นาศาสดาของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายฉะนั้นโปรดระหนักถึงทฤษฎีของพระองค์ไว้บ้างสิ่งที่มองไม่เห็น คือวิญญาณซึ่งเป็นพลังงานอย่างหนึ่งที่เป็นนามธรรมแต่ก่อให้เกิดสิ่งที่มองเห็นได้และภายในสิ่งที่มองไม่เห็นนี้ได้มีสมรรถภาพอยู่มากมายเช่นสมรรถภาพในการเห็นในการได้ยินในการนึกคิดในการจดจําในการจัดระเบียบในการสร้างสรรค์ในการคำนวณและอื่นๆฉะนั้น ถ้าหากสิ่งสิ่งนี้จะดำรงอยู่ในลักษณะเป็นนามธรรมล้วนๆรูปประพรมไม่แสดงตัวออกมาในทางวัตถุเหมือนกับศาสสารที่ยังอยู่ในลักษณะเป็นพลังงานหรือจะสร้างรูปที่มีชีวิตจากวัตถุธาตุอะไรเยน็นหรือจากพลังงานของวัตถุโอปปะติกะที่มีรูปจะเป็นไปได้หรือไม่ ปัญหาอันนี้ให้ไว้เป็นข้อคิดสั้นๆเผือว่าท่านผู้อ่านบางคนจะเกิดความสว่างในเรื่องนี้ได้บ้าง